จกะนิเทศรูปที่เป็นปัทวีธาตุนั้นเป็นไนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นปัทวีธาตุรูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกุ่มรูปภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นเตโชธาตุนั้นเป็นไนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่น ธรรมชาติที่อบอุ่นภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นเตโชธาตุรูปที่เป็นวาโยธาตนนั้นเป็นไนความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่งคล้ำจุนรูปภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ หรือที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นวาโยธาตรูปที่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉไหนาจากขายตนะละถึงเกวลินกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปรวมรูปหมวดละห้าอย่างนี้ปัญจกะนิเทศจบชา ะ, ะนิเทศ รูปที่จักขวิญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตะวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่ขานะวิญญาณรู้ได้คือคันทายตนะรูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้คือรสาายตนะรูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโผพธายตนะรูปที่มโนวิญญาณรู้ได้คือรูปทั้งหมดรวมรูปหมดละหกอย่างนี้ฉักระนิเทศจบ สัตกรนิเทศรูปที่จักผูวิญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตะวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่คานะวิญญาณรู้ได้คือคันทายตนะรูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้คือรษายตนะรูปที่กายะวิญญาณรู้ได้คือผโธทพายตนะรูปที่มโนท่ารู้ได้คือรูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะรษายตนะ และโพธพายตนะรูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้คือรูปทั้งหมดรวมรูปหมวดละเจ็ดอย่างนี้สตกะนิเทศจบอัตกะนิเทศรูปที่จักขวิญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตะวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่ภาณวิญญาณรู้ได้คือคันทายตนะรูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้คือรษายตนะ รูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือผโฑถภะที่น่าชอบใจซึ่งมีสัมผัสเป็นสุขรูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือผโฑถภะที่ไม่น่าชอบใจซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์รูปที่มโนท่ารู้ได้คือรูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะรส า, ายตนะและผโฑภายตนะรูปที่มโนวิญญาณท่ารู้ได้คือรูปทั้งหมด รวมรูปหมดละแปดอย่างนี้อัตกะนิเทศจนวกะนิเทศรูปที่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนจากสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูทรูปสี่นิชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสีรูปที่เป็นโสตินสีเป็นคานิน4ีเป็นชิวหินสีเป็นกายินสีเป็นอิฐหินสี เป็นปุริสินสีเป็นชีวิตินทรีย์นั้นเป็นไนะอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวะธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินรีย์รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไนะรูปายตนะตะณะเกาลียนกราหาน รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินรีรวมรูปหมวดละเก้าอย่างนี้นวกะนิเทศจบทศกะนิเทศรูปที่เป็นจากขุนสีนั้นเป็นไนจากสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนิชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจากขุนสีรูปที่เป็นโสตินสีเป็นคานินสีเป็นชิวหินสี เป็นกายินรีเป็นอิถินสีเป็นปุริสินสีเป็นชีวิตินรีนั้นเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินรีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินรีรูปที่ไม่เป็นอินรีที่กระทบได้นั้นเป็นไฉน รูปรายตนะโพธายตนะรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นี้ชื่อว่ากระทบได้รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไนกายวินยัตกเลลินกราหานรูปที่ไม่เป็นอินท ร, นนนนน ร, าารีย์ น, น, นี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้รวมรูปหมวดละสิบอย่างนี้ทัศกะนิเทศจบเอากาทัศกนิเทศรูปที่เป็นจักขาญตนะนั้นเป็นไน จากสุใดเป็นปภาษาธารูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายาตนะรูปที่เป็นโสตายาตนะเป็นคานายาตนะเป็นชิวหายาตนะเป็นกายายตนะเป็นรูปายาตนะเป็นจัตหายาตนะเป็นคันหายาตนะเป็นรัษายาตนะเป็นโผพธพายาตนะนั้นเป็นไฉไหนปทวีชาต ละถึงโพธพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในธรรมายตนะนั้นเป็นไฉนทิ้นจีละถึงโกวลิญกราหาน ร, รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่านับหนึ่งในธรรมายตนะรวมรูปหมวดละสิบเอ็ดอย่างนี้เอกาทจกานิเทศจก ภานวาระที่แปดจบรูปรวิภัติจบรูปประกันจบสนิเคปรกันติกกะนิเคปะหนึ่งกูสลติกกะ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนิดกุศลลมูลสามคืออโลพาอโทสะและอโมหะได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยกุศลมูลนั้นและกายกรรมวัีกรรมมนโนกรรมที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นชน อากุศลมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอากุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมพยุดด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอากุศลลมูลนั้นเป็นสมุฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเป็นไนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกลางวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมด และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤตสองเวทนาถึกะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นชไหนสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันนั้นเว้นสุขเวทนาในกามวจรรูปาวจ ร, ร, วจรและในจิตที่ไม่นับนึ่งในวัตถุอันเป็นที่เกิดแห่งสุขเวทนาแล้ว สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นไนสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนานั้นเว้นทุกขเวทนาในกามาวจรอันเป็นที่เกิดแห่งทุกขเวทนาแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นไน สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนานั้นเว้นอทุกขมสุขเวทนาในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและในจิต ท, ที่ไม่นับเนื่องในวะตะัตทุอันเป็นที่เกิดแห่งอทุกขมสุขเวทนาแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสวิปากติกะ สภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นชนวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจร อ, อรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นวิบากสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเนีเกิดวิบากเป็นชน สภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจนรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกได้แก่เวทนาขันละถึงและวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดวิบลาสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล ไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก 4. อุปาทินติกะสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนวิปากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาชวะ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 ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกางมาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันและถึงวิญญาณขันสภาวะธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิปากแห่งกรรมและรูปที่กรรมไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบเพื่อตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไงมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัตะทุกและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหาสังกิเลธาติกะสภาวะธรรมที่กิเลทำให้เศร้ามอง และเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไงอกุศลมูลสามเพโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกันกบอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันและถึงวิญญาณขัน์ที่สัมปยุต ด, ด้วยอกุศนรมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีอกุศลรมูลนั้นเป็นสมุฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภิญากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอา จ, จะวะเป็นกามวจรูปาวจรและอรูปาวจ ร, ร, วจรได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส วิตกะเดีกกะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นไนเวทนาขันและถึงวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยวิตกและวิจาร์นั้นเว้นวิตกและวิจาร์ในกามาวจรรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัตถุอันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีทั้งวิตกและวิจาร สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นไฉนเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยวิจารนั้นเว้นวิจารในรูปาวจารและในจิตที่ไม่นับนึงในวัตถุกอันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นไฉน เวทนาขันวิญญาณขันในกรรมวจ ร, รูปาวจรอรูปาวจรและในจิต ท, ที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุกอันเป็นที่เกิดแห่งสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์แล้วรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีทั้งวิตกและวิจารณเจ็ดติติกะสภาวะธรรมที่สะหรอรโครตด้วยปีติเป็นไน เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยปีตินั้นเว้นปีติในกลามมวจ ร, รูปาวจรและในจิตที่ไม่นับนึงในวัตทุก์อันเป็นที่เกิดแห่งปีติแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหารโครตด้วยปีติสภาวะธรรมที่สหรโครตด้วยสุขเป็นไนสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยสุคนั้นเว้นสุขในกลามาวจ ร, รูปาวจร และในจิตที่ไม่นับนึ่งในวัตทุ์อันเป็นที่เกิดแห่งสุขแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไนสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขานั้นเว้นอุเบกขาในกามวจรรูปาวจรอรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับนึ่งในวัตทุอันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาแล้ว สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตรด้วยอุเบกขา 8. ทัศนติกะสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นไนสังโยชน์สามคือหนึ่งสักกายทิฐิสองวิจิตอิจฉาสีลศีลปะตะปรามาตบรรดาสังโยชน์ทั้งสามเหล่านั้นสักกายทิฐิเป็นไนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะ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 เห็นสัญญาในตนหรือเห็นตนในสัญญาเห็นสังขารเป็นตนหรือเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนหรือเห็นตนในสังขารเห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคยทิฏฐิกันดานเคยทิฏฐิความเห็นเป็นฆาึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์เคยทิฏฐิ ความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดและที่อันเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสักกกยติฐิวิจิตรเฉาเป็นฉนัยปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิทธิขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคต ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปาที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความเคลือบแคลงกิริยาที่คลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองทางความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดส่ายไปความคิดพลาไป ความไม่สามารถอย่างลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจนี้เรียกว่าวิจิกิจชาศีและปะตะปรามาสเป็นไนสมณพราหมายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยสีด้วยพรด้วยสีและพรดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคยทิฏฐิกันดารเคยทิฏฐิความเห็นเป็นฆาตศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร แ, แห่งทิฏฐิสังโยชน์เือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิเป็นบอกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศิลพตะปรามาตสังโยชน์สามเหล่านี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สามนั้นได้แก่เวทนาขัน และถึงวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยสมาบนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีสังโยสมาบนั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสามเป็นไฉนโลภะโทสะโมหะที่เหลือและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจิกรรมและมโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นชนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพญากฤิซึ่งเป็นกลางมาวจรรูปาวจร อรูปาวาจรที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม 9. ทัศนเหตุตุสระสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นไ น, นสังโยษสามคือหนึ่งสกายทิฐิ สวิจิกิจฉาสามสีละพตาปรามาสบรรดาสังโยชนั้นสักกายะทิฏฐิเป็นไนละถึงนี้เรียกว่าสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นไนละถึงนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาศีละพตาปรามาสเป็นไนละถึงนี้เรียกว่าศีละพตาปรามาสสังโยชน์สามเหล่านี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สามนั้น ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยสมั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีสังโยสมั้นเป็นสมุธานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักสังโยสามคือหนึ่งสกายติฐิสวิจิกิจชา 3. สีศิลปะปะประาปรมาสสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โลภะโทสะโมหะที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยม ส, สามนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ส่วนกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม ที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นไนโลภะโทสะโมหะที่เหลือสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวัชิกรรมและมนโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นไนเว้นสภาวะธรรมเหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกรรมาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตะทุกข์ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้อมบนสามสิบ อาชยาคาเมติกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นไนะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกลางมาวจ ร, รูปาวจรอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพานเป็นไนะมรซี ซึ่งไม่นับนึ่งในวัตะทุกขสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นไ น, นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกลางมวจรรูปาวจรอรูปาวจ ร, ร, วจรและที่ไม่นับนึ่งในวัตะทุกข์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมที่เป็นคุริยา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 เศคาติกะสภาวะธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลเป็นไนะมรสี่ซึ่งมีนักหนึ่งในวัตถุทุกและสามัญญผลสามเบื้องต่ำสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของเสขาบุคคลสภาวะธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลเป็นไนะอรหัตผลอันตั้งอยู่เบื้องสูงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของอเสขบุคคล สภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นไนเว้นสภาวะธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิตี่เหลือซึ่งเป็นกลามวจจรูปาวจ ร, ร, วจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขบุคคล สิสปริตฐติกะสภาวะธรรมที่เป็นปริตฐะเป็นชนไหนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นกรรมวจรทั้งหมดได้แก่รูปะขันและถึงวิญญาณขัน์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปริตฐะสภาวะธรรมที่เป็นมหักตะเป็นชนไหนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิตซึ่งเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นมหคตะสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะเป็นไฉนิมกักผลของมกักและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอปปมานะสิบสาปริตารมนะติกะสภาวะธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นไฉน สภาวธรรมที่มีจิตและเจตสิกปรารพสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่าน oh uh ี้ช um ื่อว่ามีปร uh ิตตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมหากตะเป็นอารมณ์เป็นไนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารพสภาวธรรมที่เป็นมหากตะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมหคัตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์เป็นไน สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารพสภาวธรรมที่เป็นอปปมาณนะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอปปมาณนะเป็นอารมณ์ 14. หินนาติกะสภาวธรรมชั้นต่ำเป็นไนะอกุศลมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลรมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ ที่สัมปยุทธ์ด้วยอภุสลมูมนั้นกายกรรมวัชิกรรมและมนโนกรรมที่มีอภุสลมูลนั้นเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นต่ำสภาวะธรรมชั้นกลางเป็นไนสภาวะธรรมทีท่เป็นกุศลและอภิญากฤตเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกลามาวจรูรปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขัน์ สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นกลางสภาวะธรรมชั้นปราณีตเป็นไนะมักผลของมักและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตะทุกสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นปราณีตสิบห้ิฉตติกะสภาวะธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นไนะอ น, นันตริยกรรมห้าและมิจฉาทิฐิที่ให้ผลแน่นอน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นไนมรรคสี่ซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นไนเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศล และอพยากฤษตที่เหลือซึ่งเป็นกาามาวจรรูปาวจรารูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 6. มัคคารมณะเตกะสภาวธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์เป็นไนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรากฏอริยมรรคเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมัคเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมัคเป็นเหตุเป็นไนเว้นองค์มัคแล้วเวทนาขันติวิญญาณขันติที่สัมปยุตด้วยองค์มัคนั้นของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า มีมรรคเป็นเหตุสัมมาทิฏฐิของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเป็นมรรคและเป็นเหตุ to to here, เว้นสัมมาทิฏฐิแล้วเวทนาขันวิญญาณขันตที่สัมปยุทธ์ด้วยสัมมาทิฏฐินั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุอโลภะอโทสะและอโมหะของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุเวทนาขัน วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกทำอริยมรรคให้เป็นอธิปดีเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอธิปดีเวทนาขันธ์เว้นวิมังสาของท่านผู้พร่งพร้อมด้วยอริยมรรค ซึ่งกำลังเจริญมัคที่มีวิมังสาเป็นอธิบดีแล้วเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมบัญญัติโดยวิมังสานั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมัคเป็นอธิบดี 17. อุปันนาติกะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไนสภาวะธรรมที่เกิดที่เป็นเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้น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 ยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่ยังไม่เกิดขึ้นสงเคราะห์เข้ากับส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นฉไฉนวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่ยังไม่ให้ผล ซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรารูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันและรูปที่กลมปรุงแต่งขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนสิบปอติตตดิกะสภาวธรรมที่เป็นอดีตเป็นชนะสภาวธรรมที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราไปแล้วแปรไปแล้ ว, ลวถึงความดับแล้ว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 อติตารมณติกะสภาวะธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นชนสภาวะธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารฏสภาวะธรรมที our, London, ่เป็นอดีตเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นฉนสภาวะธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารฏสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตเกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรากฏสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ยี่สิบอชัสติกะสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนเป็นไน สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดแต่ตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือของสัตว์นั้นๆได้แก่รู ป, ปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในตนสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นไน สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนเป็นของเฉพาะตนเกิดแต่ตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆได้แก่รู ป, ปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอกตนสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเป็นชนยัย สภาวะธรรมทั้งสองประเภทที่กล่าวมานั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในตนและภายนอกตนยี่สเอ็ดอาชะตารมณติตกะสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นชนัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปราลบสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นชนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารฏสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นฉนัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารฏสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ยีสิบสนิทัศนติด ก, กะสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นไนะรูปลายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้และกระทบได้สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นไนะจักขายาตนะโสตายตนะคานายตนะทิวหายตนะ กายายตนะสัท ธ, ธายตนะขันธายตนะรส า, ายตนะและโผลทพายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้แต่กระทบได้สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นชไหนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกกะนิเสปะจบ